คนที่เขาเดินตามพุทธโอวาแต่เขาใช้เวลาไม่นานเลยมีพระถามภาษาลิบุตรถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุอะไรสิ่งที่ทําได้ยากภาษาริบุตรบอกเพ็ญเนคขมมะท่านผู้เจริญนยอะไรเป็นสิ่งที่ทํายากการบำเพ็ญเนคขมมะทําได้ยา ก, กา เขาพูดแค่นี้ก็เข้าใจไงเช่นการละตัณหาออกจากกามเนี่ยน้อมเข้าสู่นเนคขมะสลัดการรมทิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเป็นสิ่งที่ทําได้ยากทีนี้พระก็ถามต่อข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าสามารถภาคกายและภาคใจออกจากกามได้แล้วอะแล้วอะไรสิ่งที่ทําได้ยากกว่านั้นอีกภาษาที่บกยินดีท่ทาน ยินดีในเน่ฆ a m มะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากใช่ไหมล่ะยินดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่จะทําให้ความยินดีที่จะบำเพ็ญเน่ฆ a m มะอย่างต่อเนื่องเนี่เนยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่ใจจะไม่โหยหากลับไป็กรรมคุณเลยนเป็นสิ่งที่ทําได้ยากพระท่านก็ถามว่าข้าแต่ท่านผูเ้เจริญถ้าสามารถยินดีในเน่ฆ a ม m a ยินดีในการออกจากการจิตไม่จิตขดกับจะกรารรมมดหนีจากกามมาคุณเนะไม่เอาเลยกามมาคุณแล้วเนี่ยมายินดีขนาดนี้แล้วอะไรที่ยากกว่า น, นั้นภาษาลีบุตรบอกการปฏิบัติทำให้ถูกหลักการปฏิบัติทำให้ถูกพุทธโอวาสเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปฏิบัติให้ถูกพุทธโอวาสเนี่ยไม่ค่อยมี ปฏิบัติให้ถูกหลักที่เขาเรียกว่าธรร ม, มานุธรรมะปฏิปติอ่ะประพฤติทมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมเริ่มต้นตั้งแต่สถานะคมที่ชัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทีนี้พระก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อประพฤติรมถูกหลักแล้วปฏิบัติตามพุทธโอวาทโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยอีกนานไหมจะได้บรรลุ ภาษาริบุตรบอกไม่นานเลยผู้มีอายุไม่นานเลยน่าชื่นใจไหมเล่าไอ้ที่ผ่านมาที่มันนานเนี่ยเพราะได้คำตอบหรือยังอันแรกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่อยากบำเพ็ญนขัขมาจริง แต่ต้องการบาเพ็ญเนคขมะเป็นพักพกและแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมเออช่วพักได้แต่ทั้งหมดไม่ได้ใจจะขาดเอออยา่างแล้วพอมามาอยู่มาบาเพ็ญเนคขมะเบสเร็จแล้วเราไม่สามารถทำความยินดีทำศรัทธาทำฉันทะ ทำความรักในเพศในสภาพของความเป็นผู้อยู่ในเนคข ม, มะออกเก่าได้เราไม่สามารถรักษาสภาพใจนั้นได้พอรักษาสภาพใจที่จะมาเป็นเนคข ม, มะแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติตามพุทธโอวาไม่ประพฤติทาให้ถูกหลักพอไม่ประพฤติทำให้ถูกหลททหักลถ้าถามว่าอีกนานไหมจะได้บรรลุต้องบอกว่านาน นานมากไหมนาคมากมากมากขนาดไหนหลายสังสารวัตใช่ไหมลูกฟังแค่นี้พอเข้าใจไหมถ้าจะรู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนพอฟังแค่นี้เริ่มจะรู้ตนเองไหมว่าตรงไหนคือจุดบอดเห็นไหม呀 อยากพ้นทุกไหมยอยากหรือยังยเสียงไม่ค่อยดังแล้วแรงกล้าไหมถ้าปราถนาพ้นทุกนี่นะถ้ามีทะเลเพลิงขวางตรงนี้มีความกว้างประมาณร้อยเมตรบอกถ้าเธอว่ายข้าม ทะเลเพลิงร้อยเมตรถึงฝั่งนู้นโอกาสพ้นทุกมีกล้าไหมถ้าอยู่ฝั่งนี้ไม่ไม่มันปลอดภัยอะ่ะไม่ไม่ปวดแต่ถ้าโดดลงทะเลเพลิงลมันทุกอะ่ะกล้าไหมถามจริงๆนะร้อยเมตรเองแต่เป็นทะเลเพลิงกล้าไหมร้อยเมตร ไม่กลางทางก่อนฮะกลัวไม่กลางทางไม่ทันพ้นนี่เห็นนี่ฮะกล้าไหมถามก่อนกล้าที่จะโดดลงทะเลเพลิงเนี่ยร้อยเมตรเองตอนที่พระเจ้าปราถนาสัมมาสัมโพธิญาณแทบมูลบาพระบรมศาสดาพิธีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเออพระ พระทีบังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้านะ <Okay. S 1> พระเจ้าถามว่าสุมเมธาดาบทจักรวาล น, นี้เต็มไปด้วยทะเลเพลิงสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ฝั่งน้นเธอกล้าไหว้ไปเอาไหมจะโดดลงเดี๋ยวนี้เลยถ้าฝั่งน้นกล้ากล้านี่กล้ า, ล า, งงลาเอาไม ถ้าเธอดำลงไปในเวจีหมาหานรกอยู่สุด เ, เวจีหมาหานรกนั้นคือสัมมาสัมโพธิญาเธอจะดำไปเอาไหมกล้าไม่มีเงื่อนไขตายหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเงื่อนไ ข, น, ไไไ น, ไขนี่มีเงื่อนไขนี่ ถามว่าคําว่ากลัวตายเนี่ยแปลว่าไปเห็นว่าชีวิตสําคัญกว่าการพ้นทุกข์ใช่ไหมถามว่าถ้าเอาความจริงคําสอนเปิดแบบนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เขาจะเปิดหน้าดูกันเลยนะเนี่ยนะ mm hmm. เขาจะเปิดหน้าตักปุ๊บดูเลยเนี่ยแลยใจกล้าไหมถ้าไม่กล้าก็ไปทำเหมือนเดิมอะที่เคยทํามานะกลับไปทํา <laughs> ไปทําเลยป้า <laughs> แล้วแต่คิดว่าพ้นทุกข์จริงก็พ้นไป เอาเลยทำที่ว่ารับยังไงมาเคยทำยังไงมาเคยปฏิบัติยังไงทำเองแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ส่งเสริมนะแต่ไปทำเถอะแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่เจอกันเองอะเจอกันเองเ จะไปยังไงจะไปยังไงเนี <ś> ่ย <led> ไปเถ <ś led> อะคือจะไปย้อนกับทางเดิมจะ่แไปที่ใหม่จะจะไปไปช้าหน่อยามาไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งท่านเขียนคำกรตอนที่ท่านจะไปต่างประเทศเขียนติดอามาเป็นคน แตกอีกอย่างเนะยถ้าใครเขียนคำกรนให้ปุ๊บเนี่ยมองปุ๊บจะจําได้ทันทีเลยไม่รู้เป็นอะไรถ้าท่ามาไม่ชอบเลยในะเรื่องคํากรนเนี่ยแต่พอดูเทเลงก็อดจําไม่ได้มันมันมองปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันสอดคล้องปุ๊บแล้วจำมาได้ทุกทีเนี่ยนะยาวขนาดไหนก็จําได้นี่ก็เดินเดินผ่านไปเขาไปเจอที่ประตูปั๊บมองไปไปั๊บเอ้าจําก่อนอะไรมาเนี่ยเขามาไปเสร็จเขามานั่งคิดเอ้ยจําได้เลยเอ้เอาออกไม่ได้แต่นี่นี่ท่านเขียนเขาไว้ ท่านเขียนว่าว่าอันลูกศอนจรจากภากจากเบ้าคำว่าอันลูกศอนจรจากภาคจากเบ้าเนี่ยก็คือมันมันวิ่งออกจากแหล่งผิดถูกเป้าไม่จรย้อนกลับหลังท่านก็บอว่าอันตัวฆ่าไกลถิ่นบินจากลังแม้ผิดหวังยังผอมข้ายอมตาย <laughs> นี่นี่ยุ่งนะเนี่ยยุ่งนะถ้าถูกมันถูกเลยนะเนี่ยแต่ถ้าผิดเออ มันน่ากลัวใช่ไหมใช่มล่ะมันวิ่งไปแล้วสมมติเราก็เราจะปฏิบัติแบบนี้มันได้เหมือนลูกศรวิ่งออกมาจากแหล่งจากเบ้าแล้วเนี่ยผิดช่างมันมถา้าคิดเองเนี่ยคนบุคคลที่อยาก้นทุกข์ปุรณกัสสปะทุกวันเนี่ยทุกวันไปอยู่ไหน มคัคคิริโคสาระอาชิตาเกศกัมพลปะกุทฐากจยายนานะสัญชัยเวรัพุทธนิครนนาถบุตรลองอเวจีนี่เป็นมีคนนับถือมากที่สุดและพาคนลองอเวจีนับไม่ได้และไม่มีโอกาสได้บรรลุถ้าจักรวาลถูกไฟเผา ก็จะย้ายนรกนี้ก็จะย้ายย้ายไปอยู่หลังขอบจักรวาลเพราะโลกก่อขึ้นมาใหม่ก็มาเกิดใหม่ท่านใช้คำว่าวัตขานุเป็นตอของวัตตะตราบใดวัตตะยังเป็นไปอยู่ก็จะต้องอยู่กับวัตตะเขาเรียกเป็นเฝ้านี่ไงเพราะเรียกอมตะบุคคล เป็นไหมล่ะเพราะแต่ห้ามพ้นทุกเพราะอะไรมันดิ่งไปแล้วดิ่งไม่ถอนแล้วจะไม่ฟังใครแล้วเพราะตนเองเป็นเจ้ า, าศาสดาซะแล้วอยากเป็นไหมไม่จะไปร้องไห้กับใครไปร้องกับใครไม่จะปฏิบัติยังไงให้มันถูก บอกถูกมันก็ไปผสมผิดบอกถูกมันก็ไปผสมผิดบอกถูกมันก็ไปผสมผิดมันก็ออกมาเป็นสูตรของเขาต่างหากไม่ไม่ตรงสูตรพระเจ้าสักทีเลยนะคือปกติเนี่ยนะถามบอกว่าถ้าเราจะรับสูตรของพระเจ้าเดี๋ยมันต้องรับแบบประเภทที่ถ้วยมันเออเออออกหวดใช่ไหมรับพระเจ้าอาวาสเนี่ยอันนี้เอาของเราไว้นิดหนึ่งเอาพระเจ้ามาผสมผสมเหมือนอาหาเหมือนอีเหมือนอี อาหารนี่เยอเอเหมือนกับอะไรเนะี่ยเหมือนเวลาเราจะผสมสูตรผสมอะไรเนะี่ยอะไรนะเออนั่นแหละเราบอกว่าของเราก็มีในะเดียวมเติมนิดเติมนิดเติมนิดมันจะออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเอ๊ะชิมทำไมไปคนละรสเลยเนี่ยใช่ไหมละ่ะทีนี้ถ้าฐานของทานกุศลศีลกุศลเนี่ยนะ ฐานกุศลกุศลฐานกุศลนึ่งหลายฐานาฐารากากักาศีรักษาสักขะคาถากรรมมัธีานวัคคานี่ขามานิสังสักขถาถ้าฐานตรงนี้มันเคลือ่อนเนี่ยถ้าเราจะสร้างบ้านสัหกสิชั้นเนี่ยถ้าฐานลากเนี่ยมันขยับสักสักหนึ่งมิลหรือสักสองมิลเนี่ยหกสิบชั้นจะสร้างได้ไหมเนี่ยนี่เหมือนกันเราบอกว่าเออเนี่ยเราจะพยายามผสมประ ส, สาน เพราะเราเป็นผู้ที่ชอบระบบบูรณาการใช่ไหมชอบย่ออย่างชอบย่อคำสอนบ้างชอบสรุปประเด็นบ้างชอบสรุปประเด็นบ้างเพราะเราศึกษาวิชาการมาเยอะก็จะมาสรุปประเด็นเอาแตนเน่เนื้อ แล้วเอาความเข้าใจตัวเองใส่เข้าไปหน่อยถามว่าสูตรอย่างนี้ใช่สูตรของพระพุทธเจ้าไหมสูตรของผู้นั่นเนี่ยเจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นเจ้าของสูตรประเด็นก็แปลเนี่ยมาเคยถามว่าถามว่าเอ๊ะคุณคุณทำไมไม่ไม่ตั้งรักที่เองเลยตั้งเองเลยสิ หนึ่งไม่เอาสั ญ, ญลักษณ์ของพระเจ้านะภายนอกรูปแบบภายนอกไม่เอาด้วยสองคำสอนก็ไม่เอาทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอื้ยนี่เขาทําเนี่ยเขาก็ทําตามพระเจ้าแต่ไปทําให้เหมือนอย่างนั้นไม่ได้มันต้องประยุกมันต้องไปยุก ค, คําสอนพระเจ้าต้องมาประยุกต์ ค, คําพูดที่พระเจ้าพูดต้องมาแปลงใหม่ มันถึงจะเหมาะกับคนยุคนี้มาก็ย้อนถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธาเดวะที่บอกว่ามนุษย์สานางเกวราปริพุนนางปริสุทธังพรามจาริยังประกาเศเสสิคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือพระวินัยวิด ok สมาธิก็คือพระสุตตันตปวิด ok พระวิธรรมเนี่ยคือปัญญา อปัญญาคือพระพิธรรมพิดกเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาคือพระไตรปิดกเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนถึงพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอย่าลืมนะครับว่าถึงพร้อมในอัฏฐะคือเนื้อความพยัญชนะคือคือคือคำพูดเนี่ยคือถึงพร้อมเบีดเสร็จเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยสัมมาสัมปรรรณ์ภายห้าพันปีเนี่ยใช้คําพูดใช้พยัญชนะอัฏฐะของพระพุทธเจ้ามากล่าวและบรรลุได้ บริบูรณครบถ้วนครับเชื่อสัพพัญญตญาณไหมบอกเธอไม่ต้องมาแปลงพยัญชนะเราหรอกไม่ต้องมาแปลงคาพูดใหม่หรอกใช้คําพูดของเรานั่นแหละเพราะของเราบริสุทธิ์บริบูร์ครบถ้วนเพราะเราบําเพ็ญบา ร, รมีมา20ประสงค์ขายยิ่งได้สอนแสนกาบเราคํานวณดูแลสั์โลกภายในอายุขตเขตของพระพุทธเจ้าเกติของพระเยซูเจ้ า, า 5,000 ปีเนยฟังอย่างนี้ถึงจะบรรลุความพยัญชนะเหล่านี้เข้าใจและแทงตลอดสาจาัจจะได้พระเจ้า เป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกอย่างเงี้ยตําหนดไ ว, เว้เบสเซ็จเงี้ยแต่เราไม่เชื่อนี่จะ ต, ต้องมาแปลงใหม่ต้องใช้คำพูดใหม่ซิงั้นไม่เข้าใจเข้าใจคำนี้ไหมนีแ่แปลว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงจริงต้องดัดแปลงคำพูดดัดแปลงพยัญชนะ ข, ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าสิก็ไหนเราบอกพระเจ้านั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยถึงพร้อมทั้งอัฏฐาคำสอนพระพเจ้าถึงพร้อมทั้งอัฏฐาแลพะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนไงตรงนี้พระเจ้าสอนในเรื่องของชาลาทุกทุกก็คือทําให้อวัยาวะทั้งหลายหย่อนยานอ่อนแออินทรีคือตาตอนนี้อ่อนแออย่างอินทรีคือหู ถามว่าเริ่มทำหน้าที่ผิดเพี้ยนนี่ยังตาเอาผมตอนนี้ทำหน้าที่ผิดเพี้ยนนี่ยังตอนนี้แต่ก่อนผมเป็นสีนี้ไหมไม่เป็นเลยขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเริ่มปวดกระดูกยังเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเริ่มจะทำหน้าที่ผิดเพี้ยน วิปริตเริ่มผิดเพี้ยนวิปริตแล้วบกพ่องแล้วทําหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนแล้วถามว่าเขาทําหน้าที่บกพร่องผิดเพี้ยนยิ่งรุนแรงเรื่อยๆหรือว่ามันทรงอยู่ยิ่งทุกจุดเลยไหมทุกจุดของร่างกายมันกําลังทําหน้าที่ผิดเพี้ยนถามว่าเอาอยู่ไหมไม่ไม่อยู่ เขาไม่อยู่หรอกมันเหนือการบังคับบัญชาไหมเนี่ยเหนือการบังคับบัญชาด้วยเอาเดี๋ยวนี้มียาดีหมอดีเอาอยู่ไหมไ ม, ไม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้ชักนิดด้วยซ้าไปมันมันหลอกมันหลอกได้ชั่วคู่แค่นั้นเองอะบางคนเจอหน้ากันโอ้ไม่ได้เจอตั้งนานยังสาวยังหนุม่ม อามานึกในใจจะมานั่งโกหกกันทําไมเลยนึกในใจเลมันก็หลงกันตายแล้วมนุษย์เนี่ยแต่แค่นี้ก็หลงกันยังไม่พลอยเลยเนี่ยช่วยบอกความจริงกันหน่อยได้ไหมเจอหน้ากันเอ้ยใกล้จะตายยังจะถามไปยังไงเน่ยจริงไหมเรามาโกหกกันจริงเลยเนี่ยโกหกแล้วติดเลยเนะอุยดูยังแข็งแรง แต่ยังว่าในชาวโลกเขาพูดลำบางกันนะลำบากไหมพอเจอเห็นหน้าเศร้าที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าท <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นไงนตรงนี้ก็คือกำลังก็เสื่อมถอยเนะาะกำลังวังชาก็เสื่อมถอย ความคล่องแคล่วว่องไวหมดหรื อ, อยังหมดแล้วเนาะเวลาจะลุกก็ต้องใช้มือยันพื้นอึดขึ้นตอนนี้ยันกี่มือสองมือหรือสามบางคนก็ใช้ทั้งเท้าเลยสี่เลยนินเข้าแล้วเข้าพอรเริ่มมากกว่าเริ่มจะขานแล้วใกล้ถึงนีอ่อยังดูชลาเทีนขนาดนั้นเลยเนาะ ที่มันผิวพันก็ไม่งดงามผ่องใสหนังก็เหี่ยวย่นแล้วไอ้ที่น่ากังวลคือตอนนี้ความจําเลอะเลือเผลอไผลเสื่อมอํานาจหรือยังเสื่อมอํานาจแล้วและความเป็นเสรีไม่มีเสรีภายในมีเสรีภาพไหมมีเสรีภาพไหมภายนอกมีเสรีภาพไหมเสื่อมถอยถูกตำหนิ เดินเร็วๆถูกตำหนิรีบกินสินี่ไงตรงนี้ทำไมไม่เห็นถูกตำหนิไหมถูกตำหนิน่าสลดใจไหมล่ะจริงๆถูกตำหนิมันหมดเสรีภาพแล้วจับท่องเขาไว้ไม่มีเสรีภาพทั้งภายในภายนอกยังเย้ยวเยยวไปเรียกร้องเสรีภาพกั นึในใจตายแล้วชีวิตมันไม่มีเสรีภาพมีที่ไหนแล้วหมดหมดหมดเกิดทุกข์กลายเป็นทุกข์ไหมตอนนี้ทุกข์ใจได้ไหมทุกข์ใจมรณะคือความตายเนี่ยยามจะสิ้นชีพเนี่ยเคยทำชั่วไว้เคยปฏิบัติผิดไว้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันก็เห็นนิมิตของบาปรกรรมมีทุกขตินิมิตมาปรากฏนี่ไงมรณะภัยใครที่ไปทําชั่วไว้ทําผิดไว้โดนบาปปกศะศลกรรมตามมาตอนใกล้ตายทุกขตินิมิตนิมิตที่จะมาชักจูงลงอบยัยภูมิมาปรากฏอีกแล้วขี้โกรธใช่ไหมเดี๋ยมาแล้วนี่ อีกโรคยึดติดอะไรมากๆเจ๊ะไหมบ้านมาปรากฏบ้างทรัพย์มาปรากฏบ้างนี่กระชากลงไปอย่วมเนั้นเนี่ยไม่ถอนตนจริงๆนี่ไม่ละตันหาจริงๆเนี่ยคุยก็บุตรมาปรกากฏภรรยามาปรากฏสามีมาปรากฏทรัพย์มาปรากฏรถคันนั้นเลยมาปรากฏอีกตำแหน่งหน้าที่การงานมาปรากฏมาดึงไปสวรรค์หรือไปอะไร ก็ลองดูที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระรัตนตรยัยจะคิดถึงงานไหนมากกว่ากันจะได้รู้ว่าใจมันน้อมไปทางไหนนี่เคยเคยทําไม่ดีไว้อ่ะกําลังสอนสอนสอนสอนสอ น, นักเรียนสอนแรไรต่างพอใกล้จะตายนักเรียนมาปรากฏเป็นสุคตินี่มิดเลยทุกตินี่มิทุกตินี้เนี่ แต่ถ้าก็มาประพฤติด้านดีนะเป็นเป็นใหญ่เป็นโอได้เรียนสำเร็จมาประพฤติเอโลพาเกิดเราใช่ไหมกันเออพราะโลพาเกิดไปไหนใกล้ตา ย, ายาเไไาย็นดีโอยิ้มยื้อยิ้มละลื่นเลยนะโอ้แม่ไปดียิ้มหน้าละลื่นเลยเพใกล้ตายเป็นโลพานี่ ยิ้มน่าละลื่นเวลาเราไปเรียนหนังสือกันเราจะรู้ไหมทุกขตินิมิตอุปกรณ์มาปลดากัดมาเราไปทํำไมไปขับเน้นตัวนั้นก็ไม่รู้เคยสังเกตไหมเขาขับเน้นตัวไหนเอาจริงๆแล้วเคยวิจัยพวกนี้ไว้ไหมในชีวิตจริงอ่เคยวิจัยทานกุศลไว้ไหมวิจัยโดยการสีเสียงกินลดสัมผัสบ้างเคยสละบุตรสละทรัพย์สาภรรยาต่างถวายเป็นพุทธญา พ, พุทธบูชาจริงไหมในข้อที่จริง่ง ถ้าบ้านมาปรากฏเนี่ยชื่นใจเราถวายเป็นพุทธบูชาปรากฏอย่างนี้ทําไงถ้าที่ดินมาปรากฏจะเป็นกรบเป็นเขียดหรือว่าเป็นเทวดามันอยู่ที่คุณคุณคิดยังไงอะตอนนั้นนะคุณคิดยังไงไว้ถึงบอกว่าชั้นทานกุศลคุณแข็งแรงจริงหรือเปล่าคุณจะเอาสุขติหรือจะเอาทุกติรอดหรือเปล่าเนี่ยคุณจะเอาอะไรเนี่ยเพราะคุณไม่ชํานาญในการคิดเลยเนี่ย ใช่ไหมคุณไม่เคยชำนาญในการชิดเลยทำไงอา้ามาไปเสร็จไม่เคยตั้งท่าทีทางใจไว้เลยเห็นหนอห <c oughs> วไหมเห็นหนอ <c oughs> มันเห็นหนอใจใจนี้ในนะตอนนั้นอนะ่ะใช่ไหมละ่ะเราไม่เคยน้อมถวายเลยน้อมสละเลยถ้าถ้าสมมติบ้านมาปรากฏปลื้มใจว่า เราได้สละถวายเป็นพุทธบูชาแล้ ว, ท า, า ท, าลวทานของเราบริสุทธิ์เนาะเราได้ดีแล้วเนาะเนี่ยทานของเราบริสุทธิ์เนาะก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจอเอาเพียรพยายามหาทรัพย์มาด้วยกำลังด้วยเลี่ยวแหลงด้วยความหมัน่นด้วยความเพียรเป็นธรรมะมิยรัตวัตถานวัตถุที่ได้มาบริสุทธิ์ด้วย ความเพียรของเราก็เป็นไปกับกุศลด้วยเราก็ได้ถวายเดช ส, สงสาวกพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นประธานด้วยโอ้โหนี่บ้านปรากฏแต่ไม่เป็นตุกแกในบ้านไม่เป็นหนูในบ้านไม่เป็นจิ้งจกในบ้านไม่เป็นมดเป็นปลวกในบ้านถามยิงเดี๋ยวเราเคยสละจริงไหมหรือข้อเท็จจริงเห็นตรงไหนก็บ้านครูบ้านเราด้งนั่นเลยเข้าใจไหมล่ะจริงไม่จริง เออเรายังถอนไม่ได้จริงจอาจารย์จะใช้ในกรณีที่อาจารย์ดูเสียว่าเรามี้ไม่ถหงที่ลึกสิทธิ์ถ้าเราาเอมมาผสมน่ะสิตถ้าเราเคยช่วสอนให้ความลึกสิทธเด็กนี้มันจะเป็นสุดสิทธถ้าถ้าเราเราเราลึกว่าแล้วที่ลูกสิทเราเราเราน้อมได้เห็นว่าเราพยายามฝึก s สริช่วยให้สอนลูกสิทธิรี้ปแล้เขาเป็นตา ้าประเด็นก็ต้องอยู่ว่าตอนนั้นเน่ยมันอยู่ที่ว่ากุศลเกิดหรืออกุศลเกิดเราชีวิตจริงเราคิดแบบนี้ไหมมันอยู่ที่คือเราดูตรงนี้ยอมดูอาจินกรรมของโยมอะเวลาคิดถึงลูกศิษย์แต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นโลภะโทสะโมห oh ะหรือมันเป็นมหากุศลแน่โยมต้องเช็คสภาพใจให้เป็นด้วย เพราะเดข้อแท้จริงคนไม่เคยวิจัยเลยเราได้จะไปแอบภูมิใจกับเขาใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นทําไมเราจรึงไปสอนนักเรียนเราทําไมจึงเราเป็นสอนนักเรียนแเราบอกเราเราเมตตาเขาแต่เมตตาของเราเป็นเมตตาแท้หรือเมตตาเทียมถ้าเมตตาเทียมมันไม่ใช่ตัวเมตตาเขาเรียกปัญหาเหตุที่เราสอนเพราะเขาเป็นคนว่านอนสอนง่ายแลว้วมาสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยด้วยการที่เขาได้ดิบได้ดีเนี่ย มันเป็นเหตุทำให้เรานั้นน่ะได้มีโอกาสได้ดีด้วยเราจรึงสอนเราจรึงแนะนําแต่ถ้าสอนไปเบสเร็จแล้วเมื่อสอนเบสเสร็จแล้วเนี่ยคนคนนี้ถ้าออกไปเขาจะไปตำหนิเราเขาจะไปพูดกับคนอื่นว่าไอ้คนนี้ไม่ได้สอนเราถ้าคนประเภทนี้ถ้าเรารู้เราจะจากัดว่าเราจะไม่สอนอย่างนี้หรือเปล่าที่เราสอนเราเรานั่นนะ่ะเพราะเราจะได้มีส่วน ในการที่เมื่อเขาได้ดีเราก็บอกนี่ลูกศิษย์ชั้นนะเนี่ยเห็นไหมเป็นใหญ่เป็นโตแล้วแต่มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งโน้นไปขอทานอันนี้ไม่ค่อยจําไม่ค่อยได้แล้วจะเห็นชัดเลยในสภาพของเมตตาแท้และเทียมเนี่ยถ้าตนเองจะมีส่วนทุกข์ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์คนนี้มันไปติดคุกตอนสอนเมนฉันก็ดูแล้วเหมือนก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ไอเนี้ยยังไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่หรอก มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเท่า อ, อย่างนั้นก็มันก็ไม่เจริญกุศลจริงในชีวิตจริงไงเอ๊ะเนี่ยทถึงบอกอจินตกรรมของเราอะ่ะมันถูกต้องจริงไหมทั้งหมดคือจารีตศีลที่ทํามามันถูกไหมในชีวิตจริงเนี่ยโดยมากพุทธบริษัทเนี่ยเดินจารีตศีลเนี่ยกระพร่องกระแพงกระพร่องกระแพงแต่อยากพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแหละอยากพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นยิ้มนิดนึงก็เป็นมาจากจิตที่เราคุ้นเคยสีแน่นอนคืออย่างนี้ คารุกรรมจะมาก่อนกรรมหนักเลยนะถ้าไม่มีครุกรรมก็อาสัญกรรมใกล้าตายเนะี่ยเช่นใกล้าตายตอนนั้นกําลังได้เรื่องอะไรสุขใจทุกใจอย่างแรงตอนนั้นนั่นแหละรับอารมณ์นั้นตายเลยและอย่างหนึ่งถ้าไม่สองส่วน น, นี้ยังไม่มาแทรกคุณทําอะไรเป็นปกติในชีวิตจริงอาจินตกรรมถ้าตัวนี้ไม่มาน่ะค่อยว่าที ไอกระตัดตาวาปะนะกรรมกรรมที่ทํามาแล้วอย่างยาวไกลในสังสารวัตรนี่มาแล้วจะโผล่หน้ามาเสนอหน้าหรือกรรมที่ทําเำไม่ครบที่มีกําลังต่ําหรือโดยมากก็กรรมในอดีตอย่างสังสารวัตรมาโผล่หน้ามาเสนอหน้าเอาที่ฉันจะมาช่วยคุณผักดันให้คุณลงอบายแล้วก็ขึ้นสวรรค์ก็มีแค่นี้ยกรรมมันเป็นหรือเหยนไหม เราคือเราไม่ไม่ได้เคยเชื่สติว่าถวายทุกเจ้าถือเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้ในในบ้านหลังนั้นออืแต่ถ้าเกิดว่าเรากับเราเป็นถวายทุกเจ้าเหมือนกัว่าจะได้ได้ไป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่หวังอย่างนั้นไม่ใช่หวังก็คือเจริญทานเอาไว้ก่อนคือประเด็นมันอยู่ว่าเออมาไม่ได้ไปแนะนําว่าเถวายบานกเจ้าแล้วแต่ใครอยากมีข้อมูลนะตรงนั้นยังไม่แนะนําก่อน แต่ประเด็นบอกว่าถามว่าเวลาเราเราเคยสร้างบ้านแล้วคิดว่าบ้านนี้เป็นทานกุศลของเราไหมหรือเราสร้างบ้านคิดว่าบ้านนี้มันเป็นของขอ ง, ของเราคิดเมื่อไรก็เป็นของเราของเราของเราของเราเห็นทุกจุดที่มันของเราหมดเลย ฉะนั้นมันก็ยึดโมดทุกจุดเลยแต่เคยคิดไหมว่ามันอันนี้เป็นทานกุศลใช่จากที่ฝึกที่นี่แล้วเราไปคิดว่าเป็นทานกุศลที่ผลมันคือมันอยู่ตรงความเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็เดินได้จริงในชีวิตจริงแล้วเห็นด้วยความเป็นการสละได้จริงนะสละได้เพราะฉะนั้นเราสร้างบ้านให้พ่อ เราเคยคิดไหมว่ามันเป็นหน้าที่หรือว่าเราเรากำลังบําเพ็ญทานกุศลของเราล้วคิดยังไงมันเป็นหน้าที่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมพ่อแม่ต้องลูกต้องสร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้คนใช้อยู่เราเคยคิดไหมโอ๊ยเราได้เดินทานกุศลทําหน้าที่ในฐานะเจ้านายที่ดีทาําจารีสีนตามพุทธโอวาทเคยเห็นแบบนั้นจริงๆไหมเออไม่เห็นไง เด็กคิดวิจิง g ทิ้งก็บอกว่าชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายมันชิงน่ากลัวไงต่ข้อที่จริงมันน่ากลัวเพราะเราเดินไม่บริบูรณในข้อที่จริงเนี่ยมันยังมีตัวตัวที่มันติดขัดกันอีกเยอะลองไปค่อยๆตรวจสอบดูเถอะเท่าที่พูดพูดไปถ้าไม่ชัดก็ออกลับไปทวนทวนทวนดูน น, นนะแล้วถ้าเกิดลองไม่ยากได้บ้านก็มาลอยเราก็ไม่อยากได้ที่จะปฏิเสธแบบโทรศัพท์หรือเปล่า <laughs> ลองคานหรือเกินอยากจะได้มีทหนึ่งไอตัว บ, บา้านก็นมาลอยอยู่นี่แหละ อ๋อประเด็นมันอยู่ตรงว่าเออสภาพใจเนาะเป็นมหากุศลนไหมถ้าใจเป็นมหากุศลก็เป็นเครื่องวัดได้ตรงนั้นแหละฉะนั้นตรงนี้บอกมารณะเนะี่ยยามจะสิ้นชีวิตทําชั่วไว้เห็นนิมิตบาปรกรรมทั้งหลายมีคนหรือของรับต้องพัดพลา ด, ดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, ะนอะไเนี้ยตรงนี้ก็คือว่าจากไปเนี่ยส่วนประกอบในร่างกายเนี่ยพากันถามว่าตอนที่จะตายจริงๆส่วนประกอบในร่างกายทั้งหมดเนี่ยเขาเริ่มจะหยุดทําหน้าที่ไหม หยุดหมดแล้วตาหูจมูกเล่นกาใจผมคนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยนี่นะอาไว้ว่าทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเริ่มหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดนั่นมรณะตอนนี้เริ่มไหมยังเรารู้ได้ยังไงตอนเนี้ยปอดมันใกล้จะหมดหน้าที่ในการทํางานแล้วตับมันกําลังจะหมดหน้าที่ไตกำลังจะหยุดหน้าที่หัวใจกำลังจะหยุดการทําหน้าที่ ไส้ใหญ่ไส้น้อยจะหยุดการทําหน้าที่มันกําลังแล้วเนอะแต่มันลมเล้ามาทุกจุดไหมทุกจุดทุกอ น, นูของร่างกายมันบีบมาทุกมุมเลยแบบบีบมาทุกมุมเลยนะตอนเนี้ยถามว่าจะหนีไปไหนหนีไปไหนมันบีบเข้ามาขนาดนี้จะหนียังไงถามว่าถ้าคิดทุกเวลาเนี่ยตื่นอัดไหม ถ้าคิดโดยปัญญาถึงจะไม่อืดอดดนะถ้าคิดโดยโทสะยิ่อึดอัดทันทีนะเราไม่รู้ไงว่ามันกําลังไหมมาหมดทุกจุดแล้วไม่เคยหยุดไหมเลยแม้ขณะหายใจเข้าและหายใจออกแล้วมั น, ส, น, ส, นสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงทุกจุดด้วยแต่เรายังล่าเริงอยู่เลยอ่ะแล้วไม่เคยเห็นมรณะจริงๆเลยนเนี่ยในข้อที่จริงอเพราะปัญญาไม่เกิดคนที่ยานปัญญาเกิดเขาจึงเห็นทุกไงมันจึงเห็นทุก เอาเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเคยวิจัยร่างกายว่ามันกําลังจะหยุดว่าจุดไหนมันทําหน้าที่ไปแค่ไหนอย่างไรแล้วมันกำลังจะหยุดทําหน้าที่แต่เราได้แต่หวังว่าเรายังอยู่อีกหน่อยเรายังอยู่อีกหน่อยเรายังอยู่อีกหน่อยคนตายก็คิดอย่างเนี้ยคนที่เขาประมาทแล้วตายไปแล้วใช่ไหมเวลานั่งคิดถึงตนเองเบีสดเสดเนี่ย พอพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในตาหูจมูกลิ้นกายเคยเคิดไหมว่าตอนนี้มันกําลังจะหยุดการทําหน้าที่อยู่หรือมันมั น, ม, นมันเสื่อมถอยอย่างหนักแล้วเห็นไหมถ้าคนเห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกเห็นทุก เป็นทุกถามว่าชะล า, h, าทุกพยาธิทุกนะชาติทุกแท้ที่จริงเนี่ยกับมรณะทุกเนี่ยมันใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยก็สภาวะมันก็อีกทุกทั้งหมดนั่นแหละใช่อันเดียวกันไหมเนี่ยเดียวกันนะเข้าใจไหมเนี่ย ไอ้ที่มันมรณะไปมีบ้างหรือยังมันไปยั้งเยอะแยะแล้วมันอันเดียวกันนั่นแหละจริงๆแงถามว่าเด็กคนนั้นมรณะหรือยังในคันเนี่ยที่เป็นกาลละเนี่ยมรณะหรือยังอภุดะมรณะรอยังคันหน้าที่เป็นก้อนเนี่ยเอสีอ่ะเป็นชิ้นเนื้อปันจาสาขาหายไปไหน ปุ่มแขนปุ่มขาสองข้างปุ่มศีรษะเล็กๆตรงนั้นเน่ะมันตายทุกระดับหมดเลยมรณะไปหมดแล้วมันอันเดียวกันนั่นนะเราไม่เห็นไงเมื่อเช้าที่กินข้าวไว้น่ะมันตายหมดเลยเนี่ยตายหมดแล้วแล้วตอนที่มันนั่งบนเรียงคนละคนกันหรือเปล่ามันสืบเนื่องมาจากคนนั้นหรือเปล่าเออ ชีวิตน่ากลัวทุกมันบีบคั้นตอนนี้มันมันมันหมุดมันวิ่งมาทั้งสี่ทิศเนี่ยมันบทขยี้หมดแล้วขอร้องไม่ได้หรอกที่สุดจริงๆก็พบดับอีกแล้วเกิดใหม่ไม่รู้ทุกอีกไม่รู้จับทุกอีกโมหะกินอีกเพิดเพื่นอีกมัวเขาให้ทําอะไรทําหมดเขาให้เป็นอะไรก็นั่งแล้ว คลา่งไครหลงไหลวิปลิตผิดเพี้ยนเขาให้เป็นแม่เคึกว่าเป็นจริงๆนึกว่าเป็นซะจริงๆอ่ะเอาเป็นเอ า, เ, เ, อาเขาให้พอเขาเอาอะไรสวมให้หน่อยละโลกบ้าเกิดเลยเขา <c oughs> <c oughs> เกิดเลยวิ่งพลาดเลยตอนเนี้ยพอเขาเอาอะไรสวมหัวให้หน่อยโอ้โหรู้สึกมันเนึกนึกข่มไหม นึกขำนึกขาคนนั้นไหมอย่าอย่าเอาอะไรมาสวมให้นะเนี่ยลองเอาไปสวมบทบาทขอทานในนั่งกุ้มขอถือกะลาอยู่นั่นแหละมันต่างอะไรกันเนาขอกลาถือกะลาขอกับผู้บริหารวิ่งงอกงอ ก, งอกอสองคนนีตน่ต่างกันต่างกันยังไงมีชาติทิฐุไหมชะ า, าทุกพยาทิทุโมทนาทุกโศกาบริเตวะทุกกระทมและสาวาญาติ ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยอะวิปริตมนสิยการสำคัญผิดสำคัญว่าเป็นจริงๆใช่ไหมมองไม่ออกอีกเข้าจะยากไหมนี่ไงสอนสอนทุกนี่ไงอริยสัจฟังยากไหมแล้วทั้งทั้งที่ชีวิตจริงเนี่ยเรายังเข้าใจแบบเราเลยอะ พุทธโอวาให้เข้าใจอีกอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราพอฟังแบบนี้เสร็จพุกก็เข้าใจแบบเราอเออหน้าสงสารเนาต้องมานั่งขอทานใต้สะพาน ล, ลอยเออเราจะเอาเงินที่ไหนบริจาค ก, ก็ดีนะฮะช่วยอสงสารเอาไปกินข้าวปะสงสารไม่้กลับมาเล่าอยา่โอ้ยไปเจอฉันเป็นคนใจดีให้โมดเจอคนขอทานก็ให้ ไอ้กีเลตไม่ยอมสละใช่ไหมต้องสละแต่ตัววัตถุอยู่นั่นแหละก็มันสละมาไม่รู้โลกใบนี้มันก็เคยทิ้งมาทั้งใบบางทีปกครองโลกใบนี้ก็ทิ้งแต่มันเป็นทานกุศลไหมมันไม่เป็นเดี๋ยวเพราะมันไม่เคยคิดว่าเป็นทานกุศลได้เลยนะใช่ไหมของบางอย่างที่มันเน่าคาตู้เย็นเนี่ยต้องไปทิ้งไหมแล้วเป็นทานกุศลไหม เป็นไหมเป็นเพราะจิตมันไม่ได้เคยคิดเป็นทานกุศลเลยอะ่ะถ้าคนฉลาดขึ้นมาเนี่ยเอาข้าวล้างบาตเข้าไปเนี่ยล้างล้างล้างข้าวติดก้นบาตไปเทน้อมให้หมดกินเนี่ยมันเป็นทานกุศลไหมเห็นดูสิเนี่ยหลายคนทิ้งอะไรเบียเศ็จเนี่ยเป็นทิ้งคุ้งคว่างๆโดยไม่เคยเป็นทานกุศลกันเยอะแยะถามว่ามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เนี่ยมันอยู่ที่มีข้อมูลความเข้าใจชัดแล้ว โอ้ชีวิตเนาะหน้ากรุณาหน้ากรุณาคนอื่นไหม เ, เวลาเห็นคนอื่นที่เขาไม่ได้มาฟังในหน้ากรุณาไหมหน้ากรุณาไหมยเยอหน้ากรุณาใครคหน้ากรุณาว่าฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยฮะ เข้าใจว่าทานกุศลอยู่อนาคตหรืออยู่อดีตอยู่ปัจจุบัน น, น, น, นี้ตอนไหนเป็นตอนไหนอ่ะเป็นตลอดเออเอาคอลองดู <c oughs> ก็หวังคอยได้อย่างนั้นเถอะคอยได้เวลาจบการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยเวลาจะจบการอบรมแต่ละครั้งสมมติวันสุดท้ายอะไรต่างๆเนี่ยธรมาจะต้องเจริญธรรมะอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกสังเวคยานะแล้วก็พิจารณาว่า กรรมสักตาสัตากรรมทายาทากกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสนัยอย่างกรรมมังกลิษามีบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเหตุเกิดนะเป็นเหตุของสุขและทุกข์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยสัตว์ทำใดไว้สัตว์ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของการกระทำนะพอเสร็จปุ๊บก็ มนาสิกาลต่างคนต่างไปจบแต่ก่อนนะมาคือตั้งความหวังแล้วผิดหวังตั้งโอ้โหชุดนี้สุดยอดพอผ่านไปแค่สองอาทิตย์เจอหน้ า, าถามโอ้ยไม่ไหวที่ท่านสอนยากเหลือเกินยังเก่าสบายสบายาเอาเอาเอ อามาตั้งแต่นั้นม า, ามาเข้าใจแล้วจริงๆามาเข้าใจจริงๆขอให้เป็นอัธยาศัยคิดแค่นี้จริงๆแล้วอามาจะได้สร้างเหตุของความถูกต้องต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดในสังสารวัฏและจะได้ไม่ต้องมาเจอใครอีก <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วน่ากลัวไหมถ้าอามาหลงทางแล้วใครจะช่วยอามา ถ้ามามาอยู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้ใช่ไหมเราเรามาด้กลัวมากกลัวมากกลัวมากเราจะนกสยเราต้องดูต้องละวังว่าทำทานนั้นเลยหรือไม่เลยหรือทำทานเราเพิ่มวันนี้เราจะเปรียกกันระหว่างนี่เป็นทางที่สีในไม่ใช่ นั่นก็ได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งมราณะทกุก็คือความตายนะยามจะสิ้นชีวิตเคยทาชั่วไว้ต่างๆหรือนิมิตทุกตีนิมิตก็จะมาปรากฏแล้วก็ประกอบส่วนประกอบในร่างกายทั้งหมดก็จะหยุดการทำหน้าที่ตัวนี้ก็ต้องเข้าใจทุกทางกายก็จะก็มากขึ้นทำอะไรก็จะแก้ไขอะไรทาไม่ได้ไม่ได้เลยแก้ตัวนี้ตัวนั้นติดขัด แกตัวนี้ตัวนี้ติดขัดพอมันมรณะมามาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแก้ไม่ไหวแก้ไตตับมีปัญหาแก้ที่ตับปอดพังเลยเนี่ยเนียแก้ปอดอีกหัวใจพังเนอไปใหญ่อลไร้งนี้แกไม่ได้เขาบอกหมดจอเมื่ลย ห, หมดอืเอาไม่อยู่เขาเรียกว่าห้ามไม่ได้ทุกทุกส่วนของร่างกายพังวิบัติหมดถามตัวเองไหมว่าตอนนี้ยังไม่วิบัติเนี่ยตอนนี้เราทําอะไรให้มันเกิดขึ้นมาบ้าง ทำอะไรเกิดขึ้นมาหรือนั่งหมดสภาพรออาการที่มันจะมาตายนี่มีหมดสภาพหรือว่าเป็นอย่างเดิมอะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปของเราตามเดิมยะถาสติยะถาพลัง <c oughs> <c oughs> จะทาในใจอยู่ <c oughs> แล้วก็อะไรนะ <c oughs> ตามอะไรนะ ตามสติกําลังโอ้ยเรามันมีกําลังน้อยทําได้น้อยในในอกาารไปแปลไปแปลลักษณะอย่างนี้นะเราไปท่องแปลแล้วที่จริงความแปรก็สมบูรณ์เนอะแต่เราไปเข้าใจแบบนั้นที่จริงเขาต้องเติมเติมคําว่าจัดทาให้เต็มกําลังนะให้เต็มกําลังนะต้องทําให้เต็มกําลังนะ อย่าเพ่ตามกำลังเงี่ต้องเต็ม น, นะเนี่ย